ขอนอบ น, อน้อมแด่พระภูมีพระภาคพระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมพล้อมกับการนั่งสมาธิภาวนาด้วยการนั่งสมาธินีให้ทุกทุกคน ตั้งใจนั่งขัดสมาธิทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คือให้เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายดูว่าเรียบร้อยหรือ ย, อยังเมื่อเรียบร้อยแล้วก็หลับตาในเวลานั่งภาวนาฟังธรรมนี่ตาไม่เกี่ยว ตานี้ไว้สำหรับเดินทางถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วตาเรียกว่าเก็บกิดไว้หลับตาเสียตาใจได้แก่เรานึกภาวนาพุทธโธรวมจิตใจเข้าไปหรือเราฟังคำอยู่ได้ยินเสียงอยู่ก็ไม่ให้จิตใจของเราคิดไปที่อื่น รวบรวมเอาจิตใจของเราภายในได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ให้คิดภุ่งสานไปในอดีตอนาคตเรื่องดีใจเสียใจภายนอกออกไปให้พากันปล่อยวางให้หมดชิ้น เอาใจเอาตัวของเราในเวลาปัจจุบันปัจจุบันนรรมทําที่เป็นปัจจุบันที่เรานึกน้อมภาวนาอยู่ฟังธรรมอยู่ใจของคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดสติขาดสมาธิขาดภาวนา จิตใจนี่จะว่าวุ่นคิดภุ่งสารไปในที่ต่างๆ้ดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ตักเตือนพุทธบริษัทนักบวชนักบ้านในสมัยรล้งพุทธกาลโน้นว่าให้รวมจิตรวมใจสงบจิตใจเข้ามาสู่หลับปัจจุบันคือในเวลานี้ ไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปที่อื่นจึงจะมีทางจะได้ภาวนารู้ได้เข้าใจในธรรมปฏิบัติคนเราทุกคนนั้นมีจิตใจสูงไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานธรรมดาสัตว์สิ่งเดียรัจฉานนั้น ไม่มีทางที่จะฟังทรรมคําสั่งสอนในทางพุทธศาสนาได้สัตว์ตัวไหนเกิดมาเป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั่นไปตลอดชาติยากที่จะฟังทรรมได้การฟังธรรมนี้มีแต่เรื่องมนุษย์มนุษย์คนเรานีหนึ่ง สมัยครั้งพระพุทธเจ้าก็มีเทวดาพยาอินพยาพรหมฟังเทศฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ว่ามนุษย์นี้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติฟังธรรมฟังธรรมแล้วไม่ใช่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วต้องทำฟังแล้วต้องปฏิบัติ ฟังแล้วต้องสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจไม่ให้จิตคิดถึงใครทางนั้นจงดูตัวเราทุกคนว่าเมื่อเราเกิดมาก็เกิดมาตัวเราคนเดียวมาอยู่ในโลกนี้จะนานหลายสิบปีขนาดไหนก็าตามเวลาคนเหล่านั้น แตกดับตายไปเอาคนอื่นไปด้วยก็ไม่ได้ไปแต่จิตใจดวงเดียวร่างกายสังขารนี้ไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้ข้อนี้ให้เรานึกให้ได้จเจริญให้ได้ ไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังยิตกยิจางอย่างโน้นอย่างนี้ดูเวลาเราเกิดเราเกิดมาตัวคนเดียวเวลาเราตายไปคนทั้งหลายตายไปก็ตายไปแต่ดวงจิตดวงใจดวงเดียวร่างกายก็ทิ้งไว้ในโลกมนุษย์นี่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ จิตใจของเราไม่ต้องพวักพวนไปที่อื่นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนไวแต่ข้างโน้นว่าจงพากนภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาก็ให้นึกภาวนาได้ อย่างลมหายใจเข้าออกคําว่าทุกลมหายใจเข้าออกก็คือว่าทำอยู่เสมอนึกอยู่เสมอจเจริญอยู่ทุกเมื่อเหมือนลมหายใจเข้าออกคนเราทุกทุกคนที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นี่ตั้งแต่เราเกิดมาในโลกนี้ ไม่มีเวลาหยุดลมหายใจนั่งอยก็หายใจเข้าออกชีวิตก็ยังมีอยู่ยืนอยก็มีลมหายใจเข้าออกเดินไปมาที่ไหนใกล้ไกลในนอกก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้ การที่เราภาวนาบทใดข้อใดทัดทธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอันใดก็ตามเมื่อเรานึกเราจะเิือนู่นเนื่องเหมือนลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนไม่กลับมาเพราะภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจโคใดหลงไหลลืมหมด ไม่นึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายที่จะมาถึงตัวมัวเมาประมาทอันนและทันวัคนประมาทคนใดประมาทเมือนคนตายแล้วคือว่าไม่สร้างคุณงามความดีอันใดให้เกิดขึ้นในตัวในตนของตัวเองได้ ยังมีลมหายใจอยู่ <c oughs> ก็ไม่ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจโดยเฉพาะแล้วคนเหล่านั้นมักจะคิดแต่ในเรื่องที่ตัวเองจะอยู่ในโลกนี้คิดแต่จะให้ตัวเองมีความสุขกายสบายใจแต่สิ่งมันแทรกซ้อนอยู่ในกายวาจาจิตของเรานั่นคิดไม่ถึง อย่างว่ารูปประขันร่างกายของคนเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความชราไปทุกวันเวลาไม่ได้หยุดยัง้งอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ทุกวันคืนเดือนปีมากบ้างน้อยบ้างตามแต่มันจะมาถึงเข้าอันนี้มันก็แทกขึ้นมาทรั้งที่คนเราไม่ต้องการไม่ปรารถนาะ ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความทัดทาจากของรักของชอบใจไม่ต้องการไม่ปราสนาะแต่มันได้ขึ้นมาเองได้ขึ้นมาลอยๆอย่างนั่นเองการภาวนาเนี่ยจึงเป็นบทบาทอันสาคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้ได้ให้เป็นให้เกิด ใ, ให้ดีขึ้น ไม่ต้องไปรอท่าว่าเมื่อถึงวันตายข้าพระเจ้าจะภาวนาพุทโธเอาให้ได้อย่างนี้ไม่ได้เราต้องทาไว้ก่อนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปจะเป็นวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามต้องเตือนใจของเราว่า เราเกิดมาแล้วหนีความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้ไม่ได้มนรูปร่างกายรูปร่างกายนี้ก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอายุสังขารของคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่มันเท่ากันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยบางคนเกิดมาไม่นานสิบปีตายก็มี ยี่สิบปีตายก็มีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีตายได้ทางนั้นแต่ส่วนมากนั้นไม่ค่อยมีเหลือไปถึงร้อยปีมักจะตายก่อน1 0อยปีด้วยกันท้งนั้นข้อนี้ให้เราเอามาเตือนใจพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนพุทธสาวกในท่งพุทธการโน้นว่า อัลมาละนาภัยคือความตายนั้นสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงนึกจงเจริญให้ได้ว่าความตายนี้ไม่มีใครหลบหลีกได้ท่านให้นึกให้น้อมว่าให้ได้ว่าทุกลมหายใจเข้าไปก็เตือนใจของตนให้นึกว่านี่ถ้าลมหายใจนี้เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เกิดจิตขัด คนเราก็ตายนะแม่ลมหายใจออกไปแล้วเกิดอะไรจิบขัดขึ้นมาสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้คนเราก็ตายนลความตายนี่แหละท่านเตือนไว้ว่าอย่าได้ประมาทแม่เราตถาคตหมายถึงพระองค์เอง ได้ตรัสลูเป็นพระพุทธเจา้าลูแจงโลกลูกแจงธรรมละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วเราตถาคตก็ไม่หลงไม่ลืมรู้สึกได้โยตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าไปว่าพระองค์ต้องแตกดับตายแน่แน่ลูประคันนี้ไม่ยั่งยืน ลมหายใจออกมาพระองค์กดเตือนใจของพระองค์ได้ไม่ประมาะว่าลมหายใจออกไปก็ถึงตายได้พระองค์ชื่อว่าไม่ประมาททั้งลมหายใจเข้าไม่ประมาททั้งลมหายใจออกท่านภาวานาได้อยู่เสมอแล้วให้พากันไกรกลองในใจของตัวเองว่า ในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งฐานก้นไปตัวเราเองใจเราเองได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนไหมบางคนอาจประมาทมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไม่ได้นึกถึงว่าตนจะต้องแต่ต้องตายวันใดวันหนึง่งเป็นความประมาทมัวเมา จิตใจก็จะเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเพราะไม่มีธรรมะเอื่อใจของตัวเองคือมลนะกรรมฐานมลนะกรรมฐานนี้เป็นกรรมเป็นยอดกรรมฐานก็ว่าได้คนเราเมื่ออาศัยความประมาทมัวเมา ไม่ได้มองเห็นภัยอันตรายจะมาถึงตนคิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่เป็นไรไ ง, งา่ายง่าเราสบายดีอยู่เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ความตายคงไม่กล้ำกายได้ไ ง, งา่ายง่าอันนี้เป็นความประมาทมัวเมาพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนในใจของทุก จิตใจของสาวกมาสิ่งใดอันเป็นไปเพื่อสิเลราคะโทสาโมหะต้องรีบและแก้ไขละทิ้งตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้เป็นต้นไปไม่ให้ไปห่วงหน้าห่วงหลังวยตกวิจาจา์อย่างโน่นอย่างนี้ทำใจให้สะอาดทำกายให้สะอาดวาจาให้สะอาด ได้แก่รักษาศีลศีลห้าส 8, ศแปดสสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดทำศีลรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์เตือนใจของเราว่าตัดบวงหวงอาไลสิ่งใดเราตัดเราเลิกเราละเราปล่อยไนแล้วก็ไม่กลับเอามาคิดนึกอีก และกิเลสอันใดที่จะมาคล้องแวะมึนขึ้นมาทีหลังเราก็เคียรพยายามตัดละออกไปให้หมดสิน้นดูวันคืนที่พระพุทธเจ้าของเราภาวนาก่อนที่จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ควงไม่โพนั่งสมาธิแล้วพระองค์ก็ ต, ต, ต, ตั้งัดอธิฐานลงไปในใจิตใจการนั่งสมาธิภาวนาขั่งนี้การนั่งสมาธิจนให้ได้กลัรเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะไม่ยอมลุกไปมาในที่ต่างๆแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไข้ร่างกายสังขาร น, นี่จะเหือดแห้งไปหรือจะนังหุ้มกระดูกก็ตามมันจะตายก็ยอมตาย พระองค์ไม่ท้อถอยเนคือว่าใจของพระพุทธเจ้านั้นมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงที่สุดส่วนอุบายภาวนาของพระองค์ก็แบบง่ายๆท่านไม่ได้นึกพุทธโธ ท, ท่านนึกลมหายใจเข้านึกลมหายใจออก เอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจของท่านมากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกไม่ให้คิดไปนอกเหนือจากนั้นลมเข้าไปรับรู้ว่า น, นี่เป็นลมเข้าไปจริงๆลมออกมาท่านก็รับรู้ว่า น, นี่เป็นลมออกลมเข้ายาวออกยาวท่านก็รู้เข้าสั้นออกสัน้นท่านก็รู้ยอมลมยาบ ท่านก็รู้ลมอย่างกลางขั้นก็รู้ลมละเอียดท่านก็รู้ท่านเอาอนาปาลมหายใจนี่เลยมัดจิตมัดใจของท่านจนอยู่ในที่อันเดียวนามประทายใจประพุทธเจา้าก็สงบหลั่งับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาไม่ไหวหวั่นท่านถึงด้วยเหตุการณ์ใดๆ จนจิตใจอันนี้หนักแน่นมั่นค ง, งเหมือนพื้นปะสุธาหน้าแผ่นดินไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆในคืนวันนั้นเองเป็นวันเดือนหกเกณฑพระพุทธเจ้าของเราก็ตรับกิเลสได้หมดตรัสกิเลสความโกรธได้เด็ดขาด ตัดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจได้เจ็ดขาดตัดกิเลสความหลงในใจได้เจ็ดขาดและกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปร้อมทางวาสนาอาจินพระองค์ไม่มีความท้อถอยมีแต่ความหมั่นขยันขันแข็งสามารถอ่านหานไปในจิตจิตใจของพระองค์ก็พ้นจากโลก ค้นจากลูกนามกายใจตัวตนสัตบุคคลไม่หลงไหลในคนในสัตว์ในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่หลงไหลในเทวดายินทรยมยักษ์เป็นจิตใจอันรู้แจ้งแทงลตลอดเพราะว่าพระพุทธเจ้าจิตใจของท่านเป็นจิตใจอันโลกวิทูลู้แจง้แจงโลกรู้แจง้งโลกรู้แจ้งธรรม รู้หมดทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ในโลกมนุษย์เทวโลกพุมมโลกนี้พระองค์รู้แจ้งจนถึงเมืองนิพพานอันเป็นสถานทิ่พ้นจากชาติลาปยาธิมลณะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นเป็นผู้มีสติเป็นมหาสติ เป็นผู้มีสมาธิเป็นมหาสมาธิเป็นผู้มีปัญญาเป็นมหาปัญญาเป็นผู้มียานเป็นมหายานละกิเลสราคะโทสะโมหะในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราให้หมดสิ้นไปแล้วยังโปรดสอนมนุษย์และเทวดา ให้ภาวนารักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ให้ท้อท้อให้ใจมั่นคงหนักแน่โยในศีลในธรรมในคำสั่งสอนพระองค์เป็นตัวอย่างเป็นผู้เดินหน้าก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังกิเลสอันใดที่พระองค์แต่ก่อนยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ มาเวลานั้นพระองค์เลิกได้ละได้ให้ชื่อวัดตัดเด็ดขาดตัดเด็ดขาดตัดจนมันแตกมันตายไปเลยกิแลสความโกรธไม่ลุกขึ้นมาได้ฆ่ากิเลสความโกรธให้ตายไปฆ่ากิเลสความโลภลาคะาตันหาให้ตายด้านไปหมดไม่มีลูกเสียงกินลดโพทิภพคนสัตว์วัตถุธาตใดๆ ที่จะมายั่วยุให้จิตใจของพระองค์กลับกรอบเหมือนแต่ก่อนเลยเพราะพระพุธธทธเจ้าท่านฆ่ากิเลสละกิเลสเหล่านี้หมดสิ้นด้วยปัญญาญาณเราทุกคนที่ได้ฟังธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็อย่าพากันเลิ่งนอนใจกิเลสแม้จะมีมากน้อยเท่าไร กิเลสเป็นของละได้ผู้ใดตั้งความเพียรความหมั่นความกะยันภาวนาไม่ท้อท้อผู้นั้นก็เลิกได้ละได้กิเลสในหัวใจของตัวเองธรรมดากิเลสนั้นท่านว่ามันเป็นความไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้จิตไม่หยุดจิตไม่อยูเสียก่อนเป็นจิตเลื่อนเลื่อนลอยฟุ้งซ่าน ไม่มีทางจะรู้ได้เข้าใจพระพุทธองค์ท่านจึงคำจิตให้สงบทํามันนิ่งแนวเป็นดวงเดียวแม้จะไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรจิตใจที่สงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวนั้นมันก็มีความสุขมีความสบายพอตัวอยู่แ้ยวยิงภาวนาไปปฏิบัติไปแกกล้าสามารถขึ้นไปโดยลาดับ พุทธสาวกในขั้งพุทธารท่านก็ทำใจให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเห็นแจ้งในจิตใจของท่านที่เราได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระสวดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตากินาจบนั่นคือว่าท่านเทวนานะ ท่านไม่ปล่อยปลาละเลยท่านตั้งจิตตั้งใจจริงๆ จ, จิตใจของท่านเลื่อมใสศรัทธามีศรัทธาแก่กล้าสามากในหัวใจไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในใ จ, จิตใจประการใดทัางความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเกิดขึ้นในร่างกายสังขารท่านก็ไม่มายึดมาถือท่านละได้ปล่อยได้วางได้ พระสาวกเจ้าทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดละกิเลสความโกรธไ ด, ธ ด, ธ ด, ด, ได้สาวกทั้งหลายท่นก็เอามาปฏิบัติภาวนาเลิกได้ละได้ตามพระพุทธเจ้าจริงๆกิเลสโลภกิเลสโมหะอวิชาตันหากิเลสพันหะตันหาร้อยแมากน้อยประการได้ ภาะสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธาภท่านก็เอามาเลิกมาละอดปลอยออกไปได้หมดสิ้นไม่ได้หมายว่าเป็นพระภิกษุสามมันเนนอย่างพวกเรานี่อย่างเดียวแม่คารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็หมายถึงโยมผู้ชายอุบาสิกาก็หมายถึงโยมผู้หญิง ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชนักบ้านทุกคนทุกดวงใจท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆคารวาญาติโยมก็ได้สำเร็จเป็นพระโชดาศักขิทาคาอนาคาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตาชินาศนั่ น, นคือว่าท่านตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆ ท่านไม่ปล่อยปละละเลยท่านรวมจิตรวมใจเข้าไปอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่มีความเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจนั้นมีสมาธิมั่นคงที่สุดไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายให้จิตใจของท่านหวันไหวสั่นสะเกือนไปได้นานแลพุทธสาวกในข้างพุทธการท่านทำจริงปฏิบัติจริง เอาจริงๆด้วยเมื่อท่านทำจริงปฏิบัติจริงความรู้ยิ่งเห็นจริงก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านเราผู้เป็นสาวกภาวิกาทษายาโยมภิกษุสงสามมนเนรก็ย่าได้มีความท้อท้อยอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราบุญน้อยว่าฐนานน้อยละกิเลสไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้น อะไรก็ตามถ่าหาบว่าคนเรามีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้วตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ทอถอยในดวงใจแล้วย่อมได้ย่อมถึงเป็นไปได้ทุกส่วนหนาเพราะว่ า, าศาสนาธรรมคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้านั่น เป็นธรรมคำสั่งสอนเป็นนิยานิกรรมนำออกจากโลกนำออกจากกิเลสผู้ใดปฏิบัติภาวนาไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจตอนแรกแรกแกไม่รู้ไม่เข้าใจก็ตามถ้าทำไปปฏิบัติไปเจตใจอันนั้นมันก็เกิดความรู้เข้าใจปฏิบัติเป็นไปได้ เพราะว่าคนเราทุกทุกคนนั้นใจมันเป็นใหญ่เป็นประฐานสำเร็จแล้วได้ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจของตอนนี่แหละถ้าใจิตใจดวงนี้เอาได้หมดไม่มีอะไรที่ว่าทำไม่ได้ละกิเลสไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้ตั้งจิตตั้งใจเพื่อละจริงๆแล้วละได้เท่านั้น ความโกรจะมีมากน้อยเท่าไรพุทธสาวกท่นละได้เราทั้งตั้งใจเลือกละมันก็ละได้ที่แรดมากน้อหเท่าไรท่านเลือกใดละได้ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่มีความทอท้อยเมื่อใจเราไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอไม่กลัวตายแล้วข้ามตายได้คือไม่ติดอยู่แค่ กลัวตายคนเราที่ทำอะไรปฏิบัติอะไรไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรก็เพราะมันมากลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายนี่แหละถ้าไม่กลัวแล้วเร่งภาวนาเข้าทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเรียว่าทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อทาโยปฏิบัติโยไม่มีความท้อถอยแล้วยอมเกิดมีขึ้นได้ในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองพระธรรมอยู่ที่กายพระธรรมอยู่ที่วาจาพระธรรมอยู่ที่จิตเมื่อกายวาจาจิตเราอยู่ที่ไหนทุกดวงใจตั้งใจปฏิบัติภาวนาอยู่ในที่นั้นเท่้น สิ่งใดไม่รู้ก็จะค่อยรู้ไปสิ่งใดไม่เข้าใจก็จะเข้าใจไปเพราะรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในได้ดวงจิตดวงใจของคนเหล่านี้ไม่ต้องไปหาเป็นลูกเป็นล่างเป็นสีสันวันละอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีอะไรในจิตใจของเราเป็นสีสันวันลนะ คำว่าจิตใจได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่ผู้ได้ยินได้ฟังอยู่เราฟังเสียงได้ยินเสียงใครเป็นผู้รู้อยู่ในตัวในใจนานแล้วมันอยู่กรงนี้ให้รวมให้สงบเข้ามาที่กรงนี้กลองจิตใจผู้รู้อยู่ตาเห็นโลกจิตตวงนี้เป็นผู้เห็น ดีใจก็จิตตรงนี้หลงไปเสียใจก็จิตตรงนี้หลงไปเสียงผ่านเข้ามาทางโสตทางหูก็จิดตดวงเก่านี่แหละกินรสพอทภะธรรมมาลมก็จิดตดวงเก่าเป็นผู้หลงเมื่อจิตใจตรงนี้เป็นผู้หลงผู้เมาไม่เข้าเรื่องเราก็มาแก้ไขภาวนาทาใจให้สงบตั้งมัน่น ไม่ให้หันเหไปกับอารมณ์ใดๆเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดดับอยู่ในตัวในใจในสัตว์ในบุคคลนี่ว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้จิตใจผู้รู้อยู่ก็อย่าได้วัดปล่อยให้อำนาจอิเลสลาคะันหามาแวะมา เกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในใจจีแลโทสะไม่ให้มันมาโกรธมาแค้นมาอิจฉาพยาบาทอยู่ในตัวในใจเพียนพยายามอยู่ในใจกลงนี้ให้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิยาบทเมื่อจิตใจของแต่และบุคคลมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติไม่เอาอารมณ์โลกมาไว้ในใจ เอาอารมณ์ธรรมะละอิเลศความโกรธในใจของตัวเองให้หมดสิน้นไม่ว่าอารมณ์ลายดีอะไรบังเกิดมีขึ้นถ้ามันยังมีความโกรธความไม่พอใจอยู่ในใจนั่นก็ให้เ ล, ลีบลบขึ้นภาวนาทำความเพียรละอ่เลศความโกรธในใจให้หมด ไปสิ้นไปในขณะนั้นเวลานั้นไม่ว่ากิเลสกองไหนถ้ามันมีอยู่มันก็แสดงบทบาทออกมาให้เจ้าตัวเรารู้ว่ากิเลสอะไรมันยังเหลืออยู่ก็ให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนั้นให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ต้องมาเลี่ยงมันอีก กิเลสเหล่านี้จะอยู่ในตัวในใจของคนเราได้ก็เพราะว่าคนเรานั่นแหละมันเลี้ยงมันไว้ไม่ละไม่วางไม่ก่อยไม่ตัดให้มันขาดตัวกิเลสคือว่าใจมันกลัวกิเลสไม่ยอมตัดให้มันเด็ดขาดไม่ยอมภาวนาให้มันข้ามพ้นไปมันไปคาอยู่แค่กิเลสนั่นแหละ มันเอากิเลสเป็นใหญ่เป็นโตโมโหโทโ่โศไม่ยอมเลิกละเนยคือว่ามันเคาลบกิเลสกร า, า, าบไหว้กิเลสบูชากิเลสกิเลสมันก็ได้ใจใหญ่พามาเกิดแล้วมันก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แกทุกๆุกคนเนยแต่เรื่องเดือดร้อนเนื้อเลื่อนร้อนใจทางนั้นเพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุอันสําคัญ โยในใจของคนเหล่าจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนากาหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจงคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของคนของสัตว์ของวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนย่งยืนเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไป โดแต่ตัวเราคนเราที่เกิดมาเกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละมันก็จะเลิไวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลาดับลาดับเพราะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอ น, าานัตตาเมื่อมันหมดขีดแห่งความจเจริญทีนี้มันก็เข้าถึงความเสือ่อม ความเสื่อมไปความชินไปความหมดไปของรูปนามกายใจของทุกๆุคนแสดงความแก่ความชราออกมามีตาดีก็ด้าแต่ตาก็เสียดูอะไรไม่ได้มีหูดีฟังอะไรได้เมื่อแกชราฟังอะไรไม่ชัดมีปากมีเขี้ยวมีฟันฟันก็หลุดออกไปเพราะมันไม่เทีย่ยง มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ฟันของเราเป็นฟันของกิเลสเป็นฟันของโลกเมื่อผู้มาภาวานาทำความเพียนปฏิบัติบูบชาภาวานาไม่ทอท้ อ, อยมาเพ่งพินิสติเจรณาให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติเอามาปฏิบัติบูชาภาวานาเลิกให้ได้ละให้ได้อย่าไปตามกิเลส ตามกิเลสลาคะจะมาตายอยู่ในโลกไม่จบไม่สิน้นถ้าเรายังหลงกับกิเลสโทสะ ก, ก็จะมาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิน้นกิเลสโมโหหะเป็นของละเอียดผู้ใดยังมาลุ่มหลงโมหะอยู่ในใจนะั้นนั่นก็จะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ไม่มีที่จบที่สิน้น ี่แลตันหามานะพิฐิอันมีอยู่ในใจของมนุษย์ปุตุชนคนเหล่านี้เราทุกคนจะต้องทำความเพียรเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อสลัดป อ, อกไม่ให้มันมาติดข้องพัวพันในกายในวาจาคือคำพูดในใจคือความคิดไม่เอามาคิดทํามันหลงต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้น ทำความดีทำความเพียรเพื่อละอิเลสในหัวใจของตนให้ได้ตั้งใจให้ได้สงบใจให้อยู่เอาใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวยนมองเห็นชัดแจ้งในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ว่านอกจา ก, กจิตใจดวงที่รู้อยู่ในตัวนี้ออกไปมากน้อยเท่าไหร่ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นเจตไถหลงก็เป็นทุกข์ในโลกเจตไถหลงก็ชื่อว่ามาหลงกายหลงจิตหลงโลกหลงโลกหลงน้ำไม่จบไม่สิ้นสักทีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความหลงความเมาเหล่านี้บัดนี้เป็นเวลาที่เราทุกคนทุกดวงใจได้สดับรับฟังธรรมะคําสั่งสอน พอสมควรแหละก็ให้เราทุกดวงใจนั้นแหละกําหนดจดจำนําไปประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนกายวาจาจิตจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจตรงไหนก็รวมกําลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงนี้กลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้ ยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้หลงลืมอะไรก็พุทธโธนั่นแหละลืมไม่ได้จะต้องตั้งมั่นลงไปพุทธโธเป็นคำหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แจงโลกและอิเลสในโลกนี้หมดสิ้นด้วยการเข้าถึงพุทธโธพุทโธพุทธ พระพุทธญาเมื่อจิตใจของท่านไม่หลงไม่มัวเมาชื่อว่าพ้นออกจากกิเลสความโกรธพ้นออกจากกิเลสความโลภความอยากได้พ้นออกจากกิเลสความหลงความเมาความไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อมาถึงวันเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วยาได้นิ่งนอนใจ จงตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาในใจของเราให้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามมันเป็นเวลาปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสได้ทั้งนั้นเพราะว่ากิเลสในใจของบุคคลเหล่านี้ไม่มีใครที่จะมาเลิกมาละมาถอนออกให้ไนดะ้ มันเป็นจิตใจของแต่ละบุคคลพุทธสาวกไม่ว่าสมัยใดเวลาใดเมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วท่านไม่นิ่งนอนใจท่านรีบเร่งบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อจิตใจของท่านไม่มีความประมาทมัวเมาประการใด ท่านก็เล่งภาวนาในจิตในใจไล่กิเลสความโกรธออกจากจิตใจไล่กิเลสความโลภตัณหาออกจากใจไล่กิเลสอวิชาตัณหาในจิตใจให้หมดสิน้นจิตใ จ, จของท่านก็สว่างแจ้งแทงตลอดในธรรม จ, จิตใจของท่านก็ไม่ท้อแท้ออนแอรประการใดเรียกว่าภาวนาทำความเพี่ยนละกิเลสจนกิเลสในใจของท่านไม่มีไม่มีความโกรธอยู่ในใจไม่มีความโลภความอยากได้อยู่ในใจไม่มีความหลงกายหลงจิตหลงรูปหลงหนามไม่หล ง, ลงไปโยกับสิ่งใดๆทั้งหมด จ, จิตใจของพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายจึงเพียบพร้รอมไปด้วยความเมตตาตาลุนพร้อมไปด้วยความกรุณาสงสารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อสุดท้ายท่านก็วางเฉยได้สิ่งใดไม่เป็นไปตามใจหวังท่านวางเฉยได้เมื่อจิตของท่านเฉยมันก็หลุดออกพ้นออก จากีิเลสต่างๆในจิตใจของท่านเราทุกคนทุกดวงใจที่มีชีวิตอยู่นักภายในนี้ก็อย่าพากันนิ่งนอนใจอยู่ที่ไหนกายกับใจอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละเป็นที่ปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่บ้านก็ภาวนาได้อยู่วัดก็ภาวนาได้บวชไม่บวชก็ภาวนาได้ทั้งนั้น เพราะว่าจิตใจคนเรานั้นขึ้นอยู่กับการภาวนาเมื่อตั้งจิตเจตนาภาวนาให้มั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัติแล้วไม่ว่าอยู่ในเพศใดวัยใดสาวกในขั้งพุทธาท่านไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้บวชอย่างเดียวจึงละอิเลสความโกรธโลภห ล, ลงได้ไม่ใช่อย่างนั้น กิเลสความกรอดความโลภความหลงนี่ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดมีเดี๋ยวนี้เวลานี้มันมีมาตั้งแต่อาเนกะชาเกิดมาพบใดชาติใดกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็เป็นเจ้าเป็นใหญ่ควบคุมกายวาจาจิตของบุคคลเราอยู่ตลอดกาลตัวเองไม่สามารถที่จะลบขึ้น ทำความเปียนเพื่อละเพื่อทำลายเมื่อมาพบเนชานี้วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้จึงเป็นเวลาที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตื่นขึ้นมาตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาให้จิตใจนี้มีความมั่นคงหนักแน่ไม่ต้องสะทกสะทามยาาดัวต่อกิเลสกรมวัตถุการามในโลกนี้ จงพยายามทำใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์ของใสสะอาดราศรจากมนทินโทษแล้วว่าใจภาว น, นาใจทำความเพี่ยนใจละอิเลสความโกรธไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีในใจความหลงไม่ให้มีในดวงจิต ด, ดวงใจ ในใจิตใจดวงใจอันนี้ให้มีแต่ความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ละรู้ถอนรู้ปล่ลอยรู้วางไม่ให้ใจิตนี้มายึดตัวยึดตนยึดลูกยึดนามยึดกายยึดจิตยึดทุกอย่างไม่เอาละทิ้งปล่อยวางให้มันเด็ดขาดลงไปปัจจุบันน่ะทำทำอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เมโยในใจเมโยในตัวทุกทุกคน แต่ว่าเมื่อไม่ปฏิบัติไม่ตั้งใจประกอบกบรรทเจิตใจมันก็เฉยชาไม่ก้าวหน้าไปได้เดี๋ยวนีเวลานี้สังเกตเข้าไปว่าพุทโธใครเป็นผู้ได้ยินเจิตใจนี่ไม่ใช่หรือเป็นผู้นึกว่าพุทโธธ ร, รมโมสังโฆใครเป็นคนนึกก็จิตใจนี่แหละเมื่อจิตใจมีอยู่ที่นี่เราจะไปหาที่ไหนเล่า ก็ตั้งใจรวมใจลงไปสงบตั้งมั่นไม่ให้จิตใจวันไหวสันสเตือนลุ่มหลงไปอยู่ใต้อำนาจกีเลสกีเลสความกดรดโลภหลงไม่ให้มาในใจทิ้งมันออกไปให้ไกลกว้างมันออกไปละมันออกไปจะเข้ามาใหม่ไม่เอาเอกีกรวมกำลังตั้งมั่นลงไปใ น, ในจิตใจอย่างนี้ นั่นแหละสาวกสาวกในทางพุทธศาสนานี้ท่านทำความเพียรพยายามเพื่อละกิเลสเราท่านทั้งหลายก็ให้เพียรพยายามเพื่อละกิเลสในกายวาจาจิตนี้แหละหมดไปสิ้นไปจึงจะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอสานในธรรมปฏิบัติฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมปฏิบัต ได้ทุกทุกคนเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจุดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการละชนียาถาวัลิวาหาปูราปารัลิกูเรนติตาขลังเอวาเมวอิตโตตินงัง เปตานังมุปกัปปติอิิตังปฏิตังตุมทังคิตมเมวสมิตตุสัเพเพปุเรนตุทั้งกตาจันโทปนาละโสยธามนิโชติระโสยธาสปิติโยวิวัชชนตุสัพโลกโกวินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาหยูกภวะอะพีวาธนาสีริชนิยังวุฒาปจายโนเจตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขขังสลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธะตนังธรรมรตนังสังฆะตนังจิต แต่ว่าเราก็ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจว่าพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าละกิเลสหมดได้ละวาสนาได้แต่เราก็มองเห็นแต่ผลที่ท่านสำเร็จเอลาท่านสร้างท่านทาท่านก่อทุกปฏิปัติเรียกว่าตำเทน บารามีธรรมเพื่อให้ได้กัดเป็นพระพุทธเจ้ามีการทำบุญให้ทานการรักษาสินห้าถึงแปดถึงัปดการเนรธรมมะบาลมีออกจากโลกออกจากออการแร่ว่าออกบวชองค์ก็บรรลนมาปัญญาบาลณมีความโลกความฉลา คว า, า, า, า, ามสามารถอาหาพระองค์ก็่ำเป็นมาเท็นที่ไม่มีาามาการบกพร่ความภาความเยียมวิริยะบารามีพระองค์ก็เป็นผู้มีน้ำพระทัยเยียพยายามเป็นที่ขันติบารามีมความแกอดคามทนของพระองค์ ก็มีในดวงใจเป็นที่กักจารามีพระองค์ทำอะไรมีกักจามีความจริงใจอธิษฐานก็เหมือนพระองค์นั่งภาวนาว่าจะไม่เลิกไปที่ไหนทำไมไดโดยกัดจะรู้วตายเสียดีกว่วกามาลกัตจาอธิษฐาน อย่างใหญ่หลวงี่เดียดแกนได้ตัดแต่รู้เพราะตัดจากอธิฐานนั่นเองเมตตาบา ร, รมีพระองค์ดำเป็นเมตตาแต่แตัดั้งหลายไม่ว่าตัดเล็กตัดน้อยยงลิ้นตัวเล็กๆลกมองไม่เห็นก็าตามเจตใจของพระองค์แล้วว่าเมตตาแต่แตัด ในแลกผัวไปทั้งที่มีลกูกไม่มีลกูกจับสิ่งเดียวขาะอะไรก็เมตตาสงสารเขาไปหมดไม่มีการยึดาพยาบาทขาดไม่เหมือนมนุก็ใหม่นี้มนุก็ใหม่มนี้นะมนุษย์ใจบางอยากฆ้าทาลุ ให้รักษาถินห้าขินแปดก็ไม่เอาให้นั่งสมาธิภาวนาทำความเกียดละความกรอบความโลภความหลงของจนก็ไม่เอาทานกลายให้จิตใจตส่งต้านรั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจที่เลวถ้าองค์ท่านไม่เป็นอย่างนั้น ท่ท่านพ้นกายแม้พระอาราหันตาพระโสดาภิทาตาอนาตาอาราหันต์ท่านจะมีความพาคเพียรตามกฎพระพุทธจกว่าจะได้บรรลุมรรคผลท่านจะชีวสะชีวิตลงใสเท่านั้นประสาว่ทคลางหลเชียงได้ถึงซึ่งนิพพ า, า, า, าน เด็ดดับขันเข้าสู่ดัชนีฐานตามประพุบันเนี่ยว่าปัจจุบันเจ้าของเหล่านั้นโดยสมมติลว่าเป็นเจ้าเป็นใหญ่ใหญ่กว่ามนุษย์โลกใหญ่กว่าเท่าพยามาหากระสับใหญ่กว่าเพืาอตาเทวดายินสม ในใครยโลกกระทำนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าโดยสมมุติโลกแตว่าโดยมุกลดท่้นนั้นพระองค์ไม่ใช่ใหญ่อย่างโลกพระองค์ใหญ่อย่ า, ยยางธรรมพระองค์ยอม ล, ละละละีิเลสละก่อตัดโมหะได้นะเแล้ยวยอมเป็นที่ละเป็นที่ จนไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีสิ่งใดที่จะมาให้พระองค์หลงใจอีกเดี๋ยวัลละทีเรตร่อนทางลาบกนอเด็ด่านลงไปอันเราทุกคนที่มีจีวิสจีวาอยู่ในเวลานี้ก็ให้พากันเืินขึ้นลุกขึ้น ทำตามเกียนภาวานาในจิตทำใจให้นักแน่นเหมือนพื้นพะสุฐานแผ่นดิน้าจิตใจของพโยคาวจรเจ้าทางไหลไม่นักแน่นเท่ากั่นดินเลยก็ไม่สามารถที่จะละกิเล่ความโลกดได้ไม่สามารถที่จะละกิเล่ความรอดความอยากได้ ที่จะละความหลงในดวงจิตดวงใจนี้ออกไปได้ถ้าเราทุกคนตั้งใจให้มัน่นโดยประพุทธองค์ดำเข็มมาในบาลามีสุปก า, ารบาลามีสามจิตครับมีความเนตามีความกรุณา มีความเมตตาพอยินดีกับผู้อื่นเมื่อเขาได้ดีใจดีมีความเจบ็บก็ไม่อิจฉาพยาบาทเขาภุเบศฐานเป็นยอดธรรมภุเบศฐาธรรมภูเบศฐานจิตไม่ใช่ว่าอะไรเศวตหมดทานสี้นภาวนาไม่เกี่ยวหมายถ้อยังนะภุเบศฐานจิตนั้นเจอว่า เมื่อพระเมตตาแตก่ตัดทั้งหลายได้พระองค์จะเมตเมตาแตก่ตัดทั้งหลายจะเห็นได้ว่าพระองค์เมตตาตัดตอนเท้ากระโดดก็ได้โปรตัดในทางดินข้บทโปรด ต, ตัดภพันเตุกันปากัากเวลาเท้าก็ ทาบินพาบากลางใบใบยเย็นเย็นก็เพ่ศสนาให้แก่สุบาจตสุบาจาิตาเท่าพยามหาจกักราตุศีมหาตุศีจนกระทั่งถึงคนทุกกล้ อ, อนาถามีพัฒนาจกัก วันพุ่งนี้พอจะโปรดจะสอนได้หรือไม่จะตามด้ก็อดเข้าฌามเข้าสมาบัตถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็หมดบตายไม่ต้องวุ่นวายดูนะพระองค์มีความเมตตาแต่สัตว์โลกขนาดไหนความเมตตาพระจรุด น, นาพระมุติตาพระอุเบกขา เมือ่อช่วยไม่ได้ดังว่าคนจะตายสาวกทั้งหลายจะตายจะนิถานถ้าองค์จะวางเถิดแต่มันตุดยิ่ไใสคนตักทั้งหลายเขาจะตายเขาจะเสือมนันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้องไม่ต้องช่วยถ้าช่วยได้พระองค์ก็ช่วยแล้วว่าจุด น้ำพระทัยยึดใจของกับพุทธเจ้าั่้วางเฉยวางเฉอได้ไม่ไปยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนเหมือนคนในโลกตอนในโลกมีแค่ความยึดถืออยาเป็นใหญ่ทั้งๆที่ตัวเองทุกคนมันจะเป็นใหญ่อยู่แล้ว ดูเวลาทอออกมาจากท้องแม่ตัวน้อยหรือเดียวมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเป็นใหญ่เมื่อใหญ่หมดสีวแล้วมันน้อยลงน้อยลงก็ตายใหญ่แค่นั้นมันยังไม่ตายนั่นอะไรอะไรก็ไม่พอวุ่นวายไปหมดเพราะความไม่พอนั่นแหละ เจเอาเงินบากเงินเหรียญใส่ในปากให้ไปชื่ออยู่ที่ออยู่เมืองเมืองผีเพอมันไม่พอมันไม่พอมันไม่หยุดตายแล้วเขาก็เอาเงินเหรียญใส่ปากให้ก็เอาไปไม่ได้แค่ไปถึงปากเ้ า, าเขาแล้วเงินเหรียญจะอยู่ที่กองกองทองใส่นะั่น ทันความอิ่มในใจตัดโลกไม่มีไม่มีพอพระองค์จึงตรัสว่าเมื่อพระองค์ยังไม่ได้ตัดสู่ยังละทีิเหลไม่หมดก็เหมือนคนเราธรรมดานั่นเองปัญหามีความหยาดตามละกัญหาภาวะปัญหายิภวะปัญหาเหมือนกัน แต่เมื่อพระองค์เลิกได้ละได้กัญหาเหล่านี้สอดอกดั์ดาบไปไม่มีความอยากไม่มีความร้อนในใจของพระองค์มีแต่แนะนำต่างสอนให้แก่มนุษย์และยสัตว์โลกทั้งหลายให้สร้างบุญบารมีภาวนาทำความเดียแระทีเลสผู้ใดพ่นแต่แลกก็แล ผู้ยังไม่ทนกับภาวนาบำเพ็ญไปเราดูน้ำพระทัยใจประพฤติเกา่าแล้นมีเมตตามีจรุญนามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นเพื่อนฐานโยคายนดวงฮัไทไพรประพฤติเธธกา่าเราภาวนาพุทโธละลึกถึงระพุทธองโย นานะดับพักโยงให้เราทุกคนออกจากลมออกจากโคนจากตมแต่ต้องพยายามให้เต็มที่้าพยายามไม่เต็นที่เรก็จมลงในโคนจมลงในทีเดชสีเล็บลาคะโพสะโมหะนี่แลลวไม่ใช่อย่างอื่น แต่ว่าเลื่อมเียมมารยาฐานไทยของกิเหลือปราภาโทตโมหะที่ให้ชื่อว่าเป็นพยมมาเลื่อมียมมารยาสานไทยมากมายิ่งแต่กรอบและองได้จำเป็นบา ร, รมีมาถือสงไยแสมมหาจักรกู้เท่าทัน แล้วตัดเซโลกตัดสีเลสฆ่าสีเลสให้ตายตายสีเลสให้ออกเราพวกคนจะต้องบำเพ็ญภาวนาบำเป็นทานหลักฐานภาวนาเหมือนกันทําให้ทําไม่ปฏิบัติอย่างนี้จะไม่มีทางที่จะหลุดจากพ้นออกไปไนดะ้และการธรรมดาใจสีเลส ที่ยังมีอยู่มันไม่มีทางที่จะละกิเลสถ้าไม่ปฏิบัติภาวนามีกับเพิ่มกิเลสเขาคือเรานั่งหลักฐาภาวนาพุธทธะอยู่ในใจไม่ได้ก็คือมันจะเพิ่มกิเลสให้ตรงนั้นตรงนี้เอาอย่างนั้นเอาอย่างนีง้ี่เลสในหัวใจมันลดนั้นเาขาก็ กระเดงไล่อย่าง